ปกินนากะนิบาตหนึ่งสาลิเกเยทาราชาดกว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่คนเฝ้านาถูกโคสิยะพราหม์ถามแล้วจึงได้กล่าวว่าท่านโคสิยะนาข้าวสาลีบริบูรณ์ดีแต่พวกนกแขกเต้าพากันมาจิกกินพระพเจ้าขอบอกคือนาณนะท่านพราหม์เพราะไม่สามารถจะห้ามพวกมันได้ แต่บรรดานกแขกเต้าเหล่านั้นมีนกตัวหนึ่งสวยงามกว่านกเหล่านั้นทั้งหมดกินข้าวสาลีตามความพอใจแล้วยังข้าบินไปอีกพราหมณ์ได้กล่าวกับคนเฝ้านาว่าเจ้าจงดักบวงหางสัตว์โดยวิธีที่นกนั้นจะติดบวงจับเป็นแล้วนำมาให้เราพญานกแขกเต้ารำพันอยู่ว่านกทั้งหลายเหล่านั้นกินเดิมแล้วก็บินไปส่วนเราตัวเดียวติดบวงอยู่ เราได้ทําความชั่วอะไรไว้หนอพราหมกล่าวกับพยา น, นกแขกเต้านั้นว่านกตัวอื่นกินเฉพาะท้องเท่านั้นแต่เจ้ากินเกินท้องเจ้ากินข้าวสาลีตามความพอใจแล้วยังคาบบินไปอีกช้างที่ป่าไม้งิ้วนั้นเจ้าบรรจุไว้จนเต็มหรือหรือเจ้ามีเวรกับเราเราถามแล้วจงบอกเถิดเพื่อนเจ้าเก็บข้าวสาลีไว้ที่ไหน พยานกแขกเต้ากล่าวว่าเขาพเจ้าไม่ได้มีเวรกับท่านช้างของเขาพเจ้าก็ไม่มีเขาพเจ้าไปถึงยอดไม้ยิ้วก็ชำระหนี้และให้คู่ยืมหนี้ทั้งยังฝังแม่ขุมทรัพย์ไว้ที่ยอดไม้ยิ้วนั้นขอท่านจงทราบอย่างนี้เถิดท่านโกคศยะพราหมณ์ถามพยานกแขกเต้าว่าการให้กู้ยืมหนี้และการชำระหนี้ของเจ้าเป็นเช่นไรเจ้าจงบอกถึงการฝังขุมทรัพย์มาซิ เมื่อเจ้าทำดังนั้นเจ้าก็จะพ้นจากบ่วงพญานกแขกเต้าเมื่อตอบว่าท่านโกศยะข้าพเจ้ามีลูกอ่อนตัวเล็กๆขนปีกยังไม่งอกลูกนกเล็กๆเหล่านั้นข้าพเจ้าได้เลี้ยงแล้วจากเลี้ยงข้าพเจ้าเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงให้พวกเขากู้ยืมหนี้พ่อแม่ของข้าพเจ้าแก่เฒ่าผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วข้าพเจ้าข้าปรมข้าวสาลีไปเพื่อท่านทั้งสองนั้น เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงชำระหนี้ที่ท่านได้กู้ยืมไว้ในการก่อนที่ป่าไม้นิ้วนั้นยังมีนกอื่นๆ อ, อ, อีกที่ทุกพลภาพมีขนปีกหมดสิ้นแล้วข้าพเจ้าต้องการบุญจึงให้โรงข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นบัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวการทําบุญนั้นว่าเป็นขุมทรัพย์การให้กู้ยืมหนี้และการชำระหนี้ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าบอกการฝังขุมทรัพย์แก่ท่าน ขอท่านจงทราบอย่างนี้เถิดท่านโกศยะพราหมณ์ฟังแล้วมีจิตเริ่มใสจึงได้กล่าวว่าปักศีนี้ดีหนอเป็นนกแต่มิทำอย่างยอดเยี่ยมในพวกมนุษย์บางเหล่าไม่มิทำนี้เจ้าพร้อมกับพวกย่าทั้งหมดจงกินข้าวสาลีตามความพอใจเถิดเจ้านกแขกเต้าเราคงได้พบกันอีกเรายินดีที่จะพบเจ้าพญานกแขกเต้าให้โอโววาดว่า ข้าพเจ้าได้กินและดื่มในที่อยู่ของท่านแต่ในเพื่อนบ้านของท่านไม่น่ายินดีนะักท่านโกศยะขอท่านจงให้อภัยทานในเหล่าสัตว์ผู้วางอาชญาแล้วและจงเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่เฒ่าเถิดพระมีใจยินดีเปล่งอุทานว่าวันนี้โชคได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วที่เห็นนกตัวประเสริฐกว่านกทั้งหลาย เราได้ฟังวาจาสุภาษิตของนกแขกเต้าแล้วจากทำบุญให้มากพระศาสดาเมื่อทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่าโกศยพรามนั้นมีความยินดีเบิกบานใจจัดแจงข้าวและน้ำมีจิตผ่องใสเลี้ยงดูสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มน้ำด้วยข้าวและน้ำสาลิเกทารชาดกที่หนึ่งจบ 2. จันทกินนรีชาดก ว่าด้วยนางจันทะกินนรีกินนอนประสบเวทนาคร่งครวญอยู่ได้กล่าวว่าน้องจันทาชีวิตของพี่นี้เห็นจวนจะดับเสียแล้วเพราะเสียเลือดไปมากวันนี้พี่คงจะสละชีวิตเป็นแน่น้องจันทาลมปราณของพี่กำลังจะดับชีวิตของพี่มีแต่จะจมลงทุก์เผาผลาญดวงใจพี่พี่แสนลำบาก นี้เป็นทุกข์ของพี่ความเศร้าโศกถึงเจ้าจันทาผู้กาลังเศร้าโศกมิใช่เพราะความเศร้าโศกอย่างอื่นพี่เหี่ยวแห้งเหมือนต้นหญ้าที่ถูกทิ้งไว้บนแผ่นดินที่ร้อนจัดเหมือนป่าไม้ที่ถูกตัดรากทั้งยังซูบซีดเหมือนแม่น้ำที่เหือดแห้งนี้เป็นทุกข์กของเราเพราะเศร้าโศกถึงเจ้าจันทาผู้กาลังเศร้าโศกมิใช่เพราะความเศร้าโศกอย่างอื่น น้ำตาเหล่านี้ของพี่ลังไหลไปเหมือนฝนตกที่เชิงเขาลังไหลไปนี้เป็นทุกข์ของพี่เพราะเศร้าโศกถึงเจ้าจันทาผู้กาลังเศร้าโศกมิใช่เพราะความเศร้าโศกอย่างอื่นนางจันทกินนรีบริภาพระราชาว่าท่านราชบุตรพระองค์ช่วจริงๆที่ทรงยิงสามเที่รักของหม่อมฉันผู้น่าสงสารที่โคนไม้ในป่า สามีของหม่อมฉันนั้นถูกยิงนอนอยู่บนแผ่นดินท่านราชบุตรขอพระมารดาของพระองค์จงได้รับความเหือดแห้งพระหฤทัยเหมือนหม่อมฉันผู้รอคอยสามีกินนอนท่านราชบุตรขอพระชายาของพระองค์จงได้รับความเหือดแห้งพระหฤทัยเหมือนหม่อมฉันผู้รอคอยสามีกินนอนท่านราชบุตรขอพระมารดาของพระองค์ ผู้ทรงสังหารกินนอนผู้ไม่ประทุษร้ายเพราะต้องการหม่อมฉันจงอย่าทรงพบเห็นพระราชโอรสและพระราชสวามีเลยท่านราชบุตรขอพระชายาของพระองค์ผู้ทรงสังหารกินนอนผู้ไม่ประทุษร้ายเพราะต้องการหม่อมฉันจงอย่าทรงพบเห็นพระราชโอรสและพระราชสวามีเลยพระราชาทรงปลอบโยนานางจันทะกินรีนั้นว่าแม่จันทา ผู้มีในตาเหมือนดอกราตรีในป่าเจ้าอย่าร้องไห้เศร้าโศกไปเลยเจ้าจากได้เป็นพระมเหสีของเราที่เหล่านารีบูชาในราชสกุลนางจันท ก, กิ น, นรีกราบทูลว่าท่านราชบุตรหม่อมฉันขอยอมตายไม่ขอเป็นพระมเหสีของพระองค์ผู้ทรงสังหารกินนอนผู้ไม่ประทุษร้ายเพราะต้องการหม่อมฉันแน่นอนพระราชาหมดความรักใคร่จึงตรัสว่า แม่กิ น, นรีขี้ขลาดผู้ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่เจ้าจงไปยังป่าหิมะพานหากฤษณาและกลัมพักบริโภคเถิดมรดคชาติเหล่าอื่นจะอภิรมกับเจ้านางจันทกิ น, นรีคร่ำครวญอย่างหนักว่าภูเขาซอกเขาและถ้ำแห่งภูเขาเหล่านั้นยังตั้งอยู่เหมือนเดิมพ่อกินนอนเราเมื่อไม่เห็นท่านที่ภูเขาเหล่านั้นจะทาอย่างไร เราได้ร่วมอภิรมณ์กันที่ภูเขาเหล่าใดพ่อกินนอนเราเมื่อไม่เห็นท่านที่ภูเขาเหล่านั้นจะทําอย่างไรภูเขาเหล่านั้นเกลื่อนกลาไปด้วยใบไม้น่ารื่นรมมีเนื้อร้ายสัญจรไปมาพ่อกินนอนเราเมื่อไม่เห็นท่านที่ภูเขาเหล่านั้นจะทําอย่างไรภูเขาเหล่านั้นด่าระดาไปด้วยดอกไม้น่ารื่นรมมีเนื้อร้ายสัญจรไปมาพ่อกินนอน เราเมื่อไม่เห็นท่านที่ภูเขาเหล่านั้นจะทำอย่างไรแม่น้ำแห่งป่าเขามีกระแสน้ำเกลื่อนกลนไปด้วยดอกไม้มีสายธารอันใสไหลเอื่อยอยู่พอกินนอนเราเมื่อไม่เห็นท่านที่แม่น้ำนั้นจะทำอย่างไรยอดภูเขาหิมะพานทั้งหลายมีสีเขียวชอุ่มน้าทัศนาพอกินนอนเราเมื่อไม่เห็นท่านที่ยอดภูเขาเหล่านั้นจะทำอย่างไร ยอดภูเขาหิมพานทั้งหลายมีสีเหลืองอารามน้าทัศนาพ่อกยินนอนเราเมื่อไม่เห็นท่านที่ยอดภูเขาเหล่านั้นจะทำอย่างไรยอดภูเขาหิมพานทั้งหลายมีสีแดงหน้าทัศนาพ่อกยินนอนเราเมื่อไม่เห็นท่านที่ยอดภูเขาเหล่านั้นจะทำอย่างไรภูเขาหิมพานสูงตรงานหน้าทัศนาพ่อกยินนอน เราเมื่อไม่เห็นท่านที่ยอดภูเขาเหล่านั้นจะทำอย่างไรยอดภูเขาหิมพานทั้งหลายมีสีขาวโพลนน่าทศนาพอกินนอนเราเมื่อไม่เห็นท่านที่ยอดภูเขาเหล่านั้นจะทำอย่างไรยอดภูเขาหิมพานงามวิจิตน่าทัศนาพอกินนอนเราเมื่อไม่เห็นท่านที่ยอดภูเขาเหล่านั้นจะทำอย่างไรที่ภูเขาคันธมาศเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยแห่งหมเทพเจ้า ปกคลุมไปด้วยโอสถนานาชนิดพ่อกินนอนเราเมื่อไม่เห็นท่านที่ภูเขานั้นจะทำอย่างไรที่ภูเขาคันธมาศเป็นถนที่อยู่อาศัยแห่งหมู่กินนอนกินนรีปกคลุมไปด้วยโอสถนานาชนิดพ่อกินนอนเราเมื่อไม่เห็นท่านที่ภูเขานั้นจะทำอย่างไรนางจันท ก, กินนรีเห็นสามีที่รักหายโรคก็ดีใจไหว้เท้าสักกะแล้วกล่าวว่า ข้าแต่เจ้าปู่ผู้ประเสริฐ ด, ดิฉันได้อยู่ร่วมกับสา ม, มีผู้เป็นที่รักยิ่งจึงขอกราบเท้าทั้งสองของท่านผู้ซึ่งได้ใช้น้ำอมฤตรถสา ม, มีดิฉันผู้น่ารักน่าปรารถนาบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งสองจะเที่ยวไปยังแม่น้ำแห่งป่าเขาอันมีกระแสน้ำเกลื่อนกล่นไปด้วยดอกไม้อาศัยอยู่ตามต้นไม้ต่างๆเจรจาแต่คาอันเป็นที่รักต่อกันและกัน จันทกยินรีชาดกที่สองจบ 3. มหาอุ ก, กุสชาดกว่าด้วยพญานกออกช่วยเพื่อนแม่เหี่ยวพูดกับพญาเหี่ยวว่าพวกชาวชนบทพากันมัดคบเพลิงอยู่บนเกาะประสงค์จะกินลูกน้อยๆของเราพี่พญาเหี่ยวขอท่านจงไปบอกมิสหายเล่าถึงความพินาแห่งหมู่ญาติของนกทั้งหลาย เ ย, ยวนั้นถูกถามจึงแสดงเหตุที่ต้องมาว่าข้าแต่พญานกออกราชปักศีท่านนะเป็นนกที่ประเสริฐกว่า น, นกทั้งหลายข้าพเจ้าขอยึดท่านเป็นที่พึ่งพวกในพรานชาวชนบทประสงค์จะกินลูก น, น้อยของข้าพเจ้าเพื่อความสุขของข้าพเจ้าขอท่านจงเป็นที่พึ่งด้วยเถิดพญานกออกตอบเ ย, ยวว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้แสวงหาความสุขอยู่ ย่อมคบมิสหายทั้งในการและมิใช่การเจ้าเยี่ยวเราจะทำตามความประสงค์ของเจ้านั้นเพราะว่าคนดีจะต้องช่วยเหลือคนดีเยี่ยวฟังดังนั้นแล้วจึงเข้าไปหาพญานกออกพลางเชื้อเชิญว่ากิจอันใดเป็นกิจที่คนดีจะพึงกระทำให้คนดีด้วยความอนุเคราะห์กิจอันนี้ท่านก็ได้ทำแล้วท่านจงถนอมตัวไวเถิดอย่าได้เดือดร้อนใจไปเลย เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าก็จะได้ลูกต่อไปพญานกออกบรรเลอศีหนาฏว่าเราเมื่อจะกระทำการรักษาป้องกันท่านนั้นแม้ตัวจะตายก็ไม่หวาดวันเพราะเพื่อนทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องสละชีวิตกระทาเพื่อเพื่อนทั้งหลายนี้เป็นธรรมของสัตบุรุษพระาศาสดาทรงสรรเสริญคุณของพญานกออกนั้นว่าพญานกออกตัวนี้เกิดจากฟองไข่ ได้ทำกรรมที่ทำได้ยากเพื่อต้องการจะช่วยลูกนกทั้งหลายเกือบทั้งคืนฟายเ ย, ยวไปหาเต่าแล้วกล่าวว่าจริงอยู่คนบางพวกแม้จะเคลื่อนคลาดพลาดพลั้งจากการงานของตนก็ยังดำรงตนอยู่ได้เพราะความช่วยเหลือของมิตรทั้งหลายลูกลูกของข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนข้าพเจ้าจึงมาหาท่านให้เป็นที่พึ่งท่านพญาเต่าขอท่านบาเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด เต่าฟังแล้วกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมทำการผูกมิตรผูกสหายด้วยซับบ้างด้วยเข้าเปลือกบ้างด้วยตนบ้างพญาเหยวเราจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านเพราะว่าคนดีจะต้องช่วยเหลือคนดีลูกเตา่านอนอยู่ไม่ไกลได้ยินบิดาพูดจึงกล่าวว่าคุณพ่อขอพ่อจงขวนขวายน้อยนั่งอยู่เฉยๆเถิดลูกจะช่วยบำเพ็ญประโยชน์แทนพ่อ ลูกจะป้องกันลูกน้อยๆของพญาเ ย, ยว์บำเพ็ญประโยชน์นั้นแทนพ่อเองพ่อเต่ากล่าวกับลูกว่าลูกรักจริงอยู่การที่ลูกพึงช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์แทนพ่อนั้นเป็นธรรมของสัตว์ประหโดยแท้บางทีพวกนพรานเห็นพ่อซึ่งมีร่างกายใหญ่โตก็จะไม่พึงเบียดเบียนลูกนกน้อยๆของพญาเ ย, ยวเ ย, ยวไปหาราชสีเมื่อถูกถามจึงกล่าวว่า ท่านผู้ประเสริฐกว่าเนื้อผู้กล้าหาญสัตว์ดิริชาและมนุษย์เดือดร้อนเพราะพยันตรายย่อมเข้าไปหาท่านผู้ประเสริฐลูกน้อยๆของข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนข้าพเจ้าจึงมาหาท่านให้เป็นที่พึ่งท่านเป็นราชาของข้าพเจ้าเพื่อความสุขของข้าพเจ้าขอท่านจงเป็นที่พึ่งด้วยเถิดราชสีห์ฟังแล้วกล่าวว่าเหยี่ยวเราจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน เรามาก็เพื่อจะฆ่าหมูศัตรูของท่านธรรมดาวินยูชนผู้มีความสามารถรู้อยู่จะไม่พยายามคุ้มครองมิตรผู้เสมอด้วยตนได้อย่างไรแม่เยี่ยวประกาศมิตรธรรมว่าเพื่อบรรลุถึงความสุขบุคคลควรครบมิสหายผู้มีใจดีและบุคคลผู้เป็นเจ้านายเราทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกับลูกๆบันเทิงใจอยู่เหมือนคนสวมเกราะป้องกันลูกศอน ลูกนกน้อยๆทรงเสียงครูขันอยู่อย่างไพเราะจับใจต้อนรับเราและท่านผู้กำลังครูขันเพราะการกระทาของมิสหายผู้ไม่หนีไปของตนบัณฑิตนั้นได้มิสหายแล้วย่อมป้องกันลูกปศุสัตว์หรือทรัพย์ไว้ได้ข้าพเจ้าลูกๆและสามีของข้าพเจ้าอยู่พร้อมหน้ากันเพราะความช่วยเหลือของมิทั้งหลาย อันบุคคลผู้มีเจ้านายและเพื่อนผู้กล้าหาญอาจจะได้รับประโยชน์สำหรับผู้ที่มีเพื่อนพรั่งพร้อมก็จะมีเพื่อนร่วมงานเช่นนี้เขาก็จะมีมิตรมียศมีความรุ่งเรืองบันเทิงใจอยู่ในโลกนี้นะพี่ที่รักพี่เสนกะควรจะผูกมิตรแม้กับคนยากจนดูเถิดพวกเรามาพร้อมเพรียงกับหมูญาติได้เพราะความช่วยเหลือของมิตร นกตัวใดผูกมิตรไว้กับมิตรผู้กล้าหาญและมิตรผู้มีกำลังนกตัวนั้นย่อมมีความสุขเหมือนอย่างฉันและท่านณพี่เสนกะมหาอุ ก, กุสะชาดกที่สาจบ 4. อุทาละกะชาดกว่าด้วยอุทาละกะดาบทพระราชาทรงสนทนากับปุโรหิตว่าชะดินเหล่าใดนุ่งข่มหนังสือที่ขลุกคล มีขี้ฟันเคราะร่างกายสกปรกสาธยายมนอยู่ชดินเหล่านั้นประกอบหน้าที่การงานของมนุษย์จะรู้แจ้งโลกนี้แล้วพ้นจากอบายได้หรือปโุโรหิตกราบทูลว่าขอเดชะพระราชาหากบุคคลถึงจะเป็นพระหูสูตรกระทำแต่กรรมชั่วก็ชื่อว่าไม่ประพฤติธรรมเขาแม้จะมีพระเวทตั้งพันอาศัยความเป็นพระหูสูตรนั้น แต่ไม่บรรลุจรณธรรมก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้อุทาลกะดาบทกล่าวกับปุโรหิตว่าบุคคลแม้จะมีพระเวทตั้งพันอาศัยความเป็นพระหูสูตนั้นแต่ไม่บรรลุจรณธรรมก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้อาตมาเข้าใจว่าพระเวททั้งหลายเป็นสิ่งที่ไร้ผลจรณธรรมพร้อมทั้งความสำรวมเท่านั้นเป็นสัจจะปุโรหิตกล่าวว่า พระเวททั้งหลายจะไร้ผลก็หาไม่จรณธรรมพร้อมทั้งความสํารวมเท่านั้นเป็นสัจจะเพราะบุคคลบรรลุพระเวททั้งหลายแล้วย่อมได้เกียรติบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วด้วยจรณธรรมย่อมบรรลุความสงบอุทาระกะดาบทได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่ามารดาบิดาและเผ่าพันธุ์ทั้งหลายที่บุคคลจะต้องเลี้ยงดูบุตรเกิดแต่ผู้ใดเขาก็คือผู้นั้นนั่นเอง อาตามาชื่อว่าอุทาลกะเป็นวงแห่งโสธยสกุลของท่านพราหม์ถามถึงธรรมเนียมของพราหมว่าท่านผู้เจริญคนจะเป็นพราหมได้อย่างไรจะเป็นพราหมเต็มตัวได้อย่างไรปรินิพานจะมีได้อย่างไรและคนผู้ทรงธรรมบัณฑิตกล่าวเรียกว่าอย่างไรอุทาลกะดาบทตอบว่าเพราะก่อไฟบูชาอยู่เนือง บุคคลจึงชื่อว่าเป็นพราหมณ์บุคคลเมื่อรดน้ำบูชายัญและให้ยกเสาบูชายัญจึงชื่อว่าเป็นพราหมณ์เต็มตัวพราหมณ์ผู้บำเพ็ญอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้กเกษมเพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมเรียกว่าผู้ดำรงอยู่ในธรรมปุโรหิตตำหนิธรรมเนียมของพรามณ์ว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีเพราะการรดน้ำก็หาไม่ แม้จะเป็นพรามเต็มตัวก็หาไม่ขันติและโสระจะก็ไม่มีแก่บุคคลนั้นแม้เขาชื่อว่าได้ปรินิพานเพราะดับกิเลสก็หาไม่อุทาระกะดาบทถามว่าบุคคลจะเป็นพรามได้อย่างไรจะเป็นพรามเต็มตัวได้อย่างไรปรินิพานจะมีได้อย่างไรและบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมบัณฑิตกล่าวเรียกว่าอย่างไรปุโรหิตบอกว่า บุคคลผู้ไม่มีไร่นาไม่มีเผ่าพันธุ์ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราไม่มีความหวังหมดความโลภอันเป็นบาปมีความโลภในภพหมดสิ้นแล้วผู้บำเพ็ญอย่างนี้ชื่อว่าเป็นพราหมชื่อว่าผู้มีความเกษมเพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมอุทารละกะดาบบอกกล่าวว่าประัตพรามแพทยสูตรคนจันทาน และคนเทขยะทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้สงบสงี่ย์ฝึกตนแล้วล้วนแต่ได้ปริญิพานแล้วเมื่อทุกคนมีความสงบเยือกเย็นยังจะมีคนดีและคนช่วยอีกไหมหนาพรามกล่าวว่ากษัตรพรามแพทย์สูตรคนจันทารและคนเทขยะทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้สงบสงี่ย์ฝึกตนแล้วล้วนแต่ได้ปริญิพผานแล้ว เมื่อทุกคนมีความสงบเยือกเย็นย่อมไม่มีทั้งคนดีและคนชั่วอุทานละกาดาบทิเตียนพราหมว่ากษัตริย์พราหมแพทยสูตรคนจันทานและคนเทขยะทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้สงบส ง, บสงเงียมฝึกตนแล้วล้วนแต่ได้ปรินิพานแล้วเมื่อทุกคนมีความสงบเยือกเย็นย่อมไม่มีทั้งคนดีและคนชั่วเมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านจะประพฤติให้เสียความเป็นพรามวงแห่งโสธิยสะสกุลทำไมปุโปรโหิตเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าวิมานที่คลุมด้วยผ้าซึ่งย้อมด้วยสีต่างๆผ้าเหล่านั้นมีแต่เงาสีที่ย้อมนั้นหาปรากฏไม่ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันเมื่อใดคนทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เป็นผู้มีวัดดีเพราะรู้ทั่วถึงธรรมเมื่อนั้นพวกเขาย่อมปล่อยวางชาติของตนเสียได้ อุทาละกะชาดกที่สี่จบ 5. พิษชาดกว่าด้วยเท้าสักกะลักเง่าบัวเพื่อลองใจฤาษีอุปกัญจนะดาวบทสาบานว่าท่านพราหม์ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอผู้นั้นจงได้ม้าโคเงินทองและพัญญาที่น่าพอใจในโลกนี้และจงเป็นผู้พรั่งพร้อมไปด้วยบุตรพัญญามากหลาย ดาบทผู้น้องชายคนที่สองเมื่อจะชำระตนให้หมดจดจึงสาบานว่าท่านพราหม์ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอผู้นั้นจงทัดทรงระเบียบดอกไม้นุ่งหม่มผ้าแควนกาสีรูปไลจุนแก่นจันและเขาจงมีบุตรมากๆอันหนึ่งจงทำความเยื่อใยอย่างแรงกล้าในกลามทั้งหลายดาบทน้องชายที่เหลือต่างกล่าวสาบานว่าท่านพราหม์ ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปผู้นั้นเป็นเกษตรกรจงมีข้าวเปลือกมากมายเป็นครหัดจงมียศมีบุตรมากหลายมีทรัพย์มีวัต ถ, ถุที่น่าใคร่ทั้งปวงอย่าได้เห็นความเสื่อมอยู่ครองเรือนเถิดท่านพราหมณ์ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอผู้นั้นจงปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์เป็นพระราชายิ่งใหญ่กว่าพระราชาทั้งหลายทรงมีพลัง ประกอบด้วยพระอิสริยยศทรงครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตเถิดท่านพราหม์ผู้ใดได้ลักเงาบัวของท่านไปผู้นั้นเป็นพราหม์จงอย่าได้คลายความยินดีในตาแหน่งเชี่ยวชาญในคลองแห่งฤกิ์ยามและนั ก, กษัตย์เจ้าผู้ครองแคว้นผู้ทรงยศจงบูชาเขาเถิดท่านพราหม์ผู้ใดได้ลักเงาบัวของท่านไป ขอชาวโลกทั้งปวงจงสำคัญผู้นั้นว่าเป็นครูสอนเวทมนต์ทุกชนิดมีตบะขอชาวชนบทจงมุ่งไปบูชาเขาพร้อมๆกันท่านพราหมณ์ผู้ใดได้รักเงาบัวของท่านไปขอผู้นั้นจงเจ็บกินบ้านสวยที่มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยเหตุสีประการเหมือนเท้าวาสะวะประธานให้จงอย่าได้คลายความกำหนัดจนกระทั่งตายท่านพราหมณ์ ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอผู้นั้นจงเป็นผู้ใหญ่บ้านบันเทิงใจอยู่ด้วยการฟ้อนรําขับร้องในถ้ำกลางหมู่สหายจงอย่าได้รับความพินาศอะไรๆจากพระราชาเลยท่านพราหมณ์หญิงใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอองค์เอกอ克拉 ร, ราชาจงปราบปร า, รามศัตรูทั่วพื้นปฐพีจงสถาปนาหญิงนั้นในตำแหน่งที่ย่อกว่าหญิงพันพันคน และประเสริฐกว่ายิงภายในขอบคันธศีมาท่านพราหมณ์หญิงใดได้ลักเงาบัวของท่านไปขอหญิงนั้นอย่าได้หวาดวันถ้ำกลางนางทาสีทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันพึ่บริโภค ข, ของอร่อยจงประพฤติโอ้อวดเพราะราบอยู่เถิดท่านพราหมณ์ผู้ใดได้ลักเงาบัวของท่านไปขอผู้นั้นจงเป็นผู้ปฏิบัติที่อยู่ในมหาวิหาร จงเป็นนักก่อสร้างในกระชังคละนะครจงกระทำหน้าต่างตลอดวันท่านพราหม์ช้างเชือกใดได้ ล, ลักเงาบัวของท่านไปขอช้างเชือกนั้นจงถูกคล้องด้วยบ่วงบาตั้งร้อยที่อวัยวะหกแห่งจงถูกนำออกจากป่าอันน่ารื่นรมไปยังราชธานีจงถูกขอสับถูกประตักแทงท่านพราหม์ลิงตัวใดได้ได ล, ลักเงาบัวของท่านไป ขอลิ้งโตนั้นจงสวมใส่พวงดอกรักขาวถูกเจาะหูห้อยดีบุกถูกเขี่ยนด้วยเรียวไม้เข้าไปใกล้าปากงูจงถูกล่ามโซ่ตระเวนเที่ยวไปตามตรอกเถิดพระโพธิสัตว์สาบานว่าผู้ใดแลกล่าวถึงสิ่งที่ไม่หายว่าหายหรือว่าผู้ใดสงสัยใครใก็ตามขอผู้นั้นจงได้ประสบและท่องเสพกรามทั้งหลายท่ามกลางเรือนจนกระทั่งตาย เท้าศักกะถามพระโพธิสัตว์ว่าการเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักและน่าพอใจของเทวดาและมนุษย์เป็นจํานวนมากในชีวิตโลกนี้ที่สัตว์ทั้งหลายเที่ยวสแสวงหาอยู่ในโลกทําไมฤาษีทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญการทั้งหลายพระโพธิสัตว์แก้ปัญหาของเท้าสักกะว่าเพราะการทั้งหลายแลสัตว์ทั้งหลายย่อมฆ่ากันและย่อมจองจํากัน เพราะกรมทั้งหลายจึงเกิดทุกข์เกิดภัยเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพเพราะการมทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจึงประมาททำกรรมชั่วพระโมหะสัตว์เหล่านั้นผู้มีทำชั่วก็ประสบสิ่งที่ชั่วเมื่อตายไปก็ตกนรกเพราะฉะนั้นฤาษีทั้งหลายเห็นโทษในกรรมมรรคทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญกรมทั้งหลายท้าศักกะตรัสว่าโยมเมื่อจะทดลองฤาษีทั้งหลาย จึงหยิบเอาเงาบัวซึ่งวางไว้ที่ริมฝั่งแล้วไปฝังไว้บนบกพระกุณเจ้าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายเรืีทั้งหลายอยู่อย่างบริสุทธิ์ไม่มีผู้ชั่วช้านี้เงาบัวของท่านพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวคถาว่าเรืีทั้งหลายไม่ใช่นักฟ้อนสําหรับพระองค์และไม่ใช่บุคคลที่จะพึงล้อเล่นไม่ใช่ญาติและไม่ใช่สหายของพระองค์ขอถวายพระพร ท้าวสหัสนายเทวราชอาศัยเหตุอะไรพระองค์จึงได้ล้อเล่นกับเรือสีทั้งหลายท้าวสักกะขอขอมาพระโพธิสัตว์ว่าท่านพราหมณ์ขอพระคุณเจ้าจงเป็นทั้งอาจารย์และบิดาของโยมข้อนี้ขอจงเป็นที่พึ่งแก่โยมผู้พลังพลาดไปแล้วท่านผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินขอท่านจงงดโทษสักครั้งหนึ่งเถิดบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมไม่ถือโกรธ พระโพธิสัตว์งดโทษต่อเท้าสักกะแล้วให้หมูเรสียกโทษให้ว่าคืนเดียวที่พวกเรสีอยู่ใน่าก็นับว่าอยู่ดีแล้วเพราะพวกเราได้เห็นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพขอพระคุณเจ้าทั้งปวงจงพอใจเพราะพรามได้เง้าบัวคืนมาพระศาสดาได้ตรัสคาถาประมวลชาดกว่าในการนั้นต้าคตสารีบุตรโมคลานะกัสปะ อนุรุทธะปุณนะและอานนทั้งเจ็ดเป็นพี่น้องกันในการนั้นอุบลว น, นาเป็นน้องสาวขุชุตราเป็นทาสีจิตตะขบดีเป็นทาตสาตาคีระเป็นยักษ์ในการนั้นปาลิเลยยะได้เป็นช้างวานอนที่ถวายน้ำผึ้งได้เป็นวานอนตัวประเสริฐการุทายีได้เป็นเท้าสักกะพวกเธอจงทรงจำชาดกไว้อย่างนี้ พิสาชาดกที่ห้าจบ6สุรุจิชาดกว่าด้วยพระมเหสีของพระเจ้าสุรุจิพระนางสุเมธาสดับพระดารัสของท้าวสักกะแล้วได้บอกคุณคือศีลของตนว่าดิฉันเป็นหญิงที่สามีพึงเลี้ยงดูซึ่งถูกเชิญมาเป็นมเหสีของพระเจ้าสุรุจิเป็นคนแรกพระเจ้าสุรุจิได้นำดิฉันมาหมื่นปีแล้ว ท่านพราหมณ์ดิฉันนั้นยังไม่รู้สึกเลยว่าได้ล่วงเกินพระเจ้าสุรุจิผู้ครอบครองมิถิลานครแขวนวิเทหะด้วยกายวาจาและใจไม่ว่าในที่แจ้งหรือในที่ลับเลยเรสีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอบุรจงเกิดเถิดเมื่อดิฉันกล่าวเทจขอศีระจงแตกเจ็ดเสียงดิฉันเป็นที่รักที่พอพระทัยของพระพภัสดา พระมารดาผู้เป็นแม่ผัวพระราชบิดาผู้เป็นพ่อผัวเป็นที่รักของดิฉันท่านพราหมณ์ท่านทั้งสองนั้นทรงแนะนำดิฉันอยู่จนตลอดพระชนม์ชีพดิฉันนั้นยินดีในการไม่เบียดเบียนมีปกติประพฤติธรรมโดยส่วนเดียวตั้งใจมาบำรุงท่านเหล่านั้นโดยเคารพไม่เด็กเยียกร้านทั้งกลางวันและกลางคืนเรศีด้วยการกล่าวคาสัตน์นี้ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉันกล่าวเท็จขอศีรษะจงแตกเจ็ดเสียงท่านพราหมณ์ดิฉันไม่ได้มีความริษยาหรือความโกรธในหญิง 16,000 นางผู้เป็นพันยาร่วมกันเหล่านั้นในการไหนๆเลยดิฉันยินดีที่จะเกื้อกูลพวกนางไม่มีสักนางหนึ่งเลยซึ่งเป็นที่เกลียดชังของดิฉันดิฉันช่วยเหลือพวกนางผู้ร่วมสามีกันทุกคนเป็นประจำเหมือนช่วยเหลือตนเอง โรษีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอบุตรจงเกิดเถิดเมื่อดิฉันกล่าวเทศขอศีศรษะจงแตกเจ็ดเสียงพวกทา่ากรรมกรคนรับใช้และคนที่อาศัยเลี้ยงชีพเหล่าเอินดิฉันมีความแช่มชื่นเบิก บ, บานใช้สอยด้วยเหตุที่เหมาะสมเสมอโรษีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอบุตรจงเกิดเถิดเมื่อดิฉันกล่าวเทศขอศีศระจงแตกเจ็ดเสียง แม้สมณะและพรามทั้งหลายและแม้พวกวณนนิพกเหล่าอื่นดิฉันมีฝ่ามืออันชุ่มเลี้ยงดูให้อิ่มน้ำสำราญด้วยข้าวและน้ำเป็นประจำโรสีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอบุตรจงเกิดเถิดเมื่อดิฉันกล่าวเท็จขอศีรษะจงแตกเจ็ดเสียงดิฉันเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ทุกวัน14่ค่ำสิบาค่และ8ดค่ำแห่งปัก พร้อมทั้งวันปฏิหารยปักสำรวมแล้วในศีลทั้งหลายในการทุกเมื่อเรอสีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอบุตรจงเกิดเถิดเมื่อดิฉันกล่าวเท็จขอศีระจงแตกเจ็ดเสียงท้าวักกะทรงสรรเสริญพระนางสุมเมธาว่าพระราชบุตรตรีผู้เจริญผู้เพียบพร้อมด้วยยศคุณธรรมทั้งหลายที่พระนางระบุถึงในพระองค์มีอยู่ในพระนางทั้งหมด กษัตริย์ผู้สมบูรณ์ด้วยพระชาติเป็นอภิชาตบุตรผู้เรืองยศเป็นพระธรรมราชาแห่งชาววิเทหะจะอุบัติแด่พระนางพระนางสุมเมธาทรงสมนัสจึงตรัสถามว่าพระดาบดผู้มีดวงตาแจม่มใสครองผ้าเปื้อนฝุน่นยืนอยู่ในอากาศที่ไม่มีสิ่งกี่ขวางกล่าววาจาเป็นที่น่าชื่นใจจับใจดิฉันยิ่งนักท่านเป็นเทวดามาจากสวรรค์หรือนอ หรือว่าเป็นเรือศีผู้มีฤทธิ์มากท่านเป็นใครกันแน่มาถึงที่นี้จงประกาศตนให้ดิฉันทราบเท้าสักกะตรัสว่ามูเทพมาประชุมกันที่สภาชื่อสุธรรมมาถาวายบังคมท่านผู้ใดท่านผู้นั้นคือข้าพเจ้าเท้าสักกะสหสนายได้มายังสำนักของพระนางยิงคนใดในมนุษยโลกประพฤติธรรมสม่ำเสมอ มีปัญญามีศีลมีความเคารพสามีนับถือแม่ผัวประดุจเทวดาเทวดาทั้งหลายซึ่งมิใช่มนุษย์ย่อมมาเยือนหญิงมนุษย์ผู้มีปัญญาดีมีการงานอันสะอาดเช่นนั้นพระนางผู้เจริญก็พระนางมีกรรมอันสั่งสมไว้ดีแล้วและมีการประพฤติที่ดีงามไว้ในปางก่อนทรงเกิดในราชสกุลนี้เป็นหญิงที่มีความสาเร็จตามความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง พระราชบุตรีก็พระนางทรงกรรมชัยชนะนี้ไว้ได้ในโลกทั้งสองคือทรงเข้าถึงเทวโลกหนึ่งมีเกียรติยศชื่อเสียงในชีวิตนี้หนึ่งพระนางสุมเมธาขอพระองค์ทรงสุขสำราญรักษาธรรมไว้ในพระองค์ตลอดกาลนานเถิดเรานี้ขอลากลับไปสู่สวรรค์ชั้นไตรทศการพบพระนางเป็นที่พอใจของเราสุรุจิชาโดที่หจบ เจปัญจุโปศถิกชาดกว่าด้วยการรักษาอุโบสถของสัตว์ห้าชนิดพระโพธิสัตว์ถามนกพิราบว่าเจ้านกพิราบบัดนี้เจ้าดูขนควายน้อยไปเจ้าไม่ต้องการอาหารหรือทำไมจึงอดกลั้นความหิวกระหายรักษาอุโบสถอยู่เล่าเจ้านกพิราบนกพิราบกล่าวว่า เมื่อก่อนข้าพเจ้าตกอยู่ในความกำหนัดต่อนางนกพิราบเราทั้งสองรื่นร่มกันที่ภูมิประเทศนั้นๆต่อมานกเหี่ยวได้บินโฉบเอานางนกพิราบไปข้าพเจ้าม่ได้ประสงค์จะพลาดพลากจากนางนกนั้นเลยเพราะความพลาดพราดแยกออกจากนางข้าพเจ้าจึงได้เสวยเวทนาทางใจเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงรักษาอุโบสถด้วยคิดว่าราคะอย่าได้มารบกวนข้าพเจ้าอีกต่อไป พระโพธิสัตว์ถามสัตว์ทีละตัวฝ่ายสัตว์เหล่านั้นก็ตอบตามความเป็นจริงว่าเจ้างูผู้เป็นสัตว์เลื้อยคลานผู้มีลิ้นสองแฉกเจ้าเลื้อยไม่ตรงเลื้อยไปด้วยอกมีเขี้ยวเป็นอาวุธมีพิษร้ายแรงทำไมเจ้าจึงอดกลั้นความหิวกระหายรักษาอุโบสถอยู่เล่าโคเปลี่ยวมีกำลังของนายบ้านมีหนกกระเพื่มมีสีสันสวยงาม มีกำลังวังชาสมบูรณ์มันเหยียบเข้าพเจ้าเข้าพเจ้าโกรธจึงเรียกกัดมันมันทุรนทุรายเพราะความทุกข์จนถึงตายชนทั้งหลายออกจากหมู่บ้านนั้นพากันคร่ำครวญร้องไห้แล้วได้หลีกไปเพราะเหตุนั้นเข้าพเจ้าจึงรักษาอุโบสถด้วยคิดว่าความโกรธอย่าได้มารบกวนเข้าพเจ้าอีกต่อไปเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนื้อของพวกสัตว์ที่ตายแล้ว มีอยู่ในป่าช้าเป็นอันมากเนื้อนั้นเป็นอาหารที่พอใจของเจ้าทำไมเจ้าจึงอดกลั้นความหิวกระหายรักษาอุโบสถอยู่เล่าเขาพเจ้ายินดีในซากศพติดใจในเนื้อช้างจึงได้เข้าไปยังท้องช้างใหญ่ลมร้อนและแสงแดดอันแรงกล้าได้แผดเผาจนกระทั่งทวารหนักของช้างเชือกนั้นแห้งยุบลงเพราะคุณเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งผอมทั้งเหลืองทั้งไม่มีทางออกต่อมาเมฆฝนกลุ่มใหญ่ได้ตกมาโดยพลันทาให้ทวารหนักของช้างเชือกนั้นเปียกชุ่มเพราะคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าออกจากท้องช้างนั้นมาได้เหมือนด่างดวงจันพ้นจากปากราหูเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงรักษาอุโบสถ ด, ด้วยคิดว่าความโลภอย่าได้มารบกวนข้าพเจ้าอีกต่อไป เจ้ามีเมื่อก่อนเจ้าเที่ยวเคี้ยวกินปลวกทั้งหลายที่จอมปลวกอยู่ทำไมเจ้าจึงอดกลั้นความหิวกระหายรักษาอุโบสถอยู่เล่าข้าพเจ้าดูหมิ่นที่อยู่ของตนได้ไปยังหมู่บ้านมนรัตเพราะความอยากเกินไปชนทั้งหลายออกจากหมู่บ้านนั้นทุบตีข้าพเจ้าด้วยคันธนูและไม้ค้อนข้าพเจ้านั้นหัวแตกตัวเปื้อนเลือดจึงได้กลับมายังที่อยู่ของตน เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงรักษาอุโบสถด้วยคิดว่าความอยากเกินไปอย่าได้มารบกวนข้าพเจ้าอีกต่อไปสัตว์ทั้งสี่ถามพระโพธิสัตว์ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้อความอันใดท่านได้ถามพวกข้าพเจ้าข้อความอันนั้นข้าพเจ้าทั้งหมดก็ได้ตอบตามที่รู้มาพวกข้าพเจ้าขอถามท่านบ้างว่าท่านพราหมณ์ผู้เจริญทําไมท่านจึงรักษาอุโบสถอยู่เล่า พระโพธิสัตว์ได้ตอบว่าพระปเจ ก, กพุทธเจ้าผู้ไม่ถูกดิเละทั้งปวงแปเปื้อนนั่งอยู่ที่อาสมของเราครู่หนึ่งท่านได้ประกาศให้เราทราบถึงที่ไปที่มาชื่อโครและความประพฤติ ท, ทุกอย่างแม้ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ไหว้เท้าทั้งสองของท่านและไม่ได้ถามท่านเพราะมีมานะเพราะเหตุนั้นเราจึงรักษาอุโบสถ ด, ด้วยคิดว่า มานะอย่าได้มารบกวนเราอีกต่อไปปัญจุโปสถิกะชาดกที่เจ็ดจบ8มหาโมระชาดกว่าด้วยพญานกยูงพญานกยูงร้องขอชีวิตว่าถ้าหากท่านจับข้าพเจ้าเพราะเหตุแห่งทรัพย์ท่านอย่าได้ฆ่าข้าพเจ้าเลยจงจับเป็นแล้วนําข้าพเจ้าไปยังสานักพระราชาเถิดเพื่อนท่านคงจะได้ทรัพย์มิใช่น้อย บุตรนายพรานปลอบว่าลูกธนูที่สอดอยู่ในแง่งนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะฆ่าท่านในวันนี้ก็หาไม่แต่จะตัดบวงให้แก่ท่านด้วยมีความประสงค์ว่าขอพญานกยูงทองจงบินไปตามสบายเถิดพญานกยูงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอถามท่านเพราะเหตุที่ท่านสู้อดกลั้นความหิวกระหายตลอดทั้งคืนทั้งวันเฝ้าติดตามข้าพเจ้าอยู่ตลอดเจ็ดปี เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าผู้ติดบ่วงให้พ้นเสียจากเครื่องผูกเล่าวันนี้ท่านงดเว้นจากปาณาติบาตแล้วหรือหนอหรือว่าท่านให้อภัยแก่สัตว์ทั้งปวงแล้วเพราะเหตุใดท่านจึงประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าผู้ติดบ่วงให้พ้นเสียจากเครื่องผูกเล่าบุตรในพรานถามว่าพญานกยูงขอท่านจงบอกถึงผล ของบุคคลผู้งดเว้นจากปานาติบาตและให้อภัยหมู่สัตว์ทั้งปวงความข้อนี้ที่ข้าพเจ้าถามท่านเขาจุติจากโลกนี้ไปแล้วจะได้รับความสุขอย่างไรพญานกยุงตอบว่าข้าพเจ้าขอบอกผลของบุคคลผู้งดเว้นจากปานาติบาตและผู้ให้อภัยหมู่สัตว์ทั้งปวงว่าเขาย่อมได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันและเมื่อตายย่อมไปสู่สวรรค์ บุตรในพรานกล่าวว่าสมณะและพรามพวกหนึ่งกล่าวว่าเทวดาไม่มีชีวะย่อมถึงความขาดศูญในภพนี้เท่านั้นผลของกรรมดีกรรมชั่วก็เหมือนกันย่อมขาดศูญและกล่าวสอนว่าทานคนโง่บัญญัติไวเข้าพระเจ้าเชื่อวาจาของพระอรหันตเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเข้าพระเจ้าจึงเบียดเบียนนกทั้งหลายพระโพธิสัตว์กล่าวว่า ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองเห็นได้ชัดเจนสองโลกให้สว่างสวยัยโคจรไปในอากาศดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองนั้นมีอยู่ในโลกนี้หรือโลกอื่นในมนุษย์ยีโลกพวกเขากล่าวถึงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองนั้นอย่างไรหนอบุตรในพรานกล่าวว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองเห็นได้ชัดเจนสองโลกให้สว่างสวยัยโคจรไปในอากาศ ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองนั้นมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่โลกนี้ในมนุษย์เสียโลกพวกเขากล่าวถึงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองนั้นว่าเทวดาต่อมาพระโพธิสัตว์ได้กล่าวกับเขาว่าสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเป็นอเหตุตุกะทิฐิไม่พูดถึงกรรมไม่พูดถึงผลของกรรมดีกรรมชั่วด้วยเหมือนกันแต่สอนว่าทานคนโง่บัญญัติไว้ สมณะและพราหมณ์เหล่านั้นผู้มิทิฐิเลวซามถูกกำจัดแล้วในเพราะการพยากรณ์เพียงเท่านี้บุตรในพรานกำหนดได้แล้วจึงกล่าวว่าคำของท่านนั้นเป็นคำสัตย์อย่างแท้จริงทานจะไม่พึงมีผลได้อย่างไรกรรมดีกรรมชั่วก็เหมือนกันจะไม่พึงมีผลได้อย่างไรและทานคนโง่จะพึงบัญญัติขึ้นได้อย่างไรพญานกยูงข้าพเจ้ากระทำกรรมอย่างไร กระทำเพราะอะไรประพฤติอย่างไรจะคบใครผู้มีตบาบะคุณอย่างไรขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพเจ้าโดยที่ข้าพเจ้าจะไม่ต้องตกนรกพระโพธิสัตว์กล่าวว่าบนพื้นแผ่นดินยังมีสมณะพวกใดพวกหนึ่งอยู่สมณะเหล่านั้นนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นบรรปะชิตเที่ยวบินทบาทเฉพาะเวลาเช้างดเว้นการบริโภคในเวลาวิการเป็นสัตว์ุรุษ ท่านจงเข้าไปหาสมณะเหล่านั้นตามการอันสมควรแล้วจงถามข้อความตามที่ท่านพอใจสมณะเหล่านั้นจะชี้แจงข้อความอันเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแก่ท่านตามที่รู้มาพระปัจเจกพุทธเจ้าเปล่งอุทานว่าความเป็นพรานนี้ข้าพเจ้าละได้แล้วเหมือนงูลอกคราบเก่าแก่ทิ้งไปเหมือนต้นไม้สลัดใบเหลืองทิ้งเขี้ยวจะอุ่มอยู่ ข้าพเจ้าละทิ้งความเป็นพรานได้ในวันนี้ท่านทำสัจจะกคริยาว่านกเหล่าใดที่ข้าพเจ้ากักขังไว้หลายร้อยตัวในเรือนของข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าให้ทานชีวิตแก่นกเหล่านั้นขอให้นกเหล่านั้นจงหลุดพน้นกลับไปยังที่อยู่ของตนเถิดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศว่านกเหล่านั้นพ้นจากทุกได้เพราะอาศัยพญานกยูงจึงตรัสพระคถาสุดท้ายว่า นายพรานถือบวงเที่ยวไปในป่าเพื่อจะจับพญานกยุงทองผู้เรืองยศครั้นจับพญานกยุงทองผู้เรืองยศได้แล้วเขาได้พ้นจากทุกข์เหมือนเราตถาคตได้พ้นแล้วมหาโมระชาดกที่8ดจบเก้ 9. ตัดชะสุกรชาดกว่าด้วยสุกรชื่อตัดชะสุกรตัดชะเที่ยวเสาะแสวงหาฝูงสุกรในป่า พบสุกรจำนวนมากแล้วดีใจจึงกล่าวว่าเราเมื่อเสาะหาหมูญาติใดเที่ยวไปตามเทือกเขาลำนาวไพรเราเที่ยวตามหาอยู่ช้านานญาตทั้งหลายนี้นั้นเราก็ได้พบแล้วมูลพราหานี้ก็มีอยู่มากและพักษาหานี้ก็มีอยู่ไม่น้อยส่วนแม่น้ำภูเขานี้ก็น่ารื่นรมคงจะอยู่ได้สบายเราจะอยู่พร้อมกับหมูญาตทั้งปวงในที่นี้แหละ จากเป็นผู้ขนขวายน้อยหมดความระแวงภัยไม่มีความเศร้าโศกไม่มีภัยแต่ที่ไหนสุกรทั้งหลายกล่าวว่าตัดชะท่านจงเสาะหาถ้ำในที่อื่นอยู่เถิดในที่นี้พวกเรามีศัตรูมันมาที่นี้ฆ่าสุกรแล้วกัดกินเนื้อล่ำๆเป็นประจำสุกรตัดชะถามว่าใครหนอเป็นศัตรูของพวกเราในที่นี้ ใครกันรังควานหมูญาติผู้พร้อมเพลียงซึ่งรังควานได้ยากเราถามแล้วขอพวกท่านจงบอกผู้นั้นแก่เราสุกรเหล่านั้นตอบว่าท่านตัดชะพญาเนื้อเป็นสัตว์มีพลังมีเขี้ยวเป็นอาวุธมันมาที่นี่ฆ่าสุกรแล้วกินเนื้อล่ำๆเป็นประจำสุกรตัดชะกล่าวว่าพวกเราไม่มีเขี้ยวก็หาไม่พลังกายก็พร้อมโมล พวกเราทั้งหมดจงพร้อมเพรียงกันสร้างอำนาจร่วมกันสุกรเหล่านั้นกล่าวว่าท่านตัดชะท่านนะพูดได้จับใจสบายหูแม้ตัวใดหนีไปในขณะต่อสู้พวกเราจะฆ่าตัวนั้นในภายหลังชดินโกงเห็นเสือโคร่งกลับมามือเปล่าจึงกล่าวว่าวันนี้ท่านงดเว้นจากปานอติบาตหรือหนอหรือว่าท่านให้อภัยแกหมูสัตว์ทั้งปวง ท่านไม่มีเขี้ยวที่จะฆ่าเนื้อหรือหนอถึงอยู่ในฝูงสุกรก็ยังซบเซาเหมือนคนกัมพร้าพญาเสือโคร่งได้กล่าวว่าเขาพระเจ้าจะไม่มีเขี้ยวก็หาไม่พลังกายก็พร้อมมูลแต่เพราะเห็นญาติญาติพร้อมเพรียงเป็นอันเดียวกันเพราะเหตุนั้นเขาพระเจ้าจึงซบเซาอยู่ผู้เดียวในป่าเมื่อก่อนสุกรเหล่านี้กลัวภยัยแยกย้ายกันหนีไปคนละทิศละทางแสวงหาที่พึ่ง แต่บัดนี้พวกมันกลับรวมหมู่กันตั้งท่าสู้ยากที่ข้าพเจ้าจะข่มพวกมันได้พวกมันได้ผู้นาดีมีความพร้อมเพรียงกันมีความเห็นอย่างเดียวกันพร้อมกันที่จะทำลายข้าพเจ้าได้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ปรารถนาสุ ก, กรเหล่านั้นชดินโกงเมื่อจะให้เสือโครง่งเกิดความอุสาหะจึงกล่าวว่าพระอินทร์องเดียวยังเอาชนะพวกอสูรได้ นกเหยื่ยวตัวเดียวยังข่มขี่ฆ่านกทั้งหลายได้เสือโครงตัวเดียวเข้าไปอยู่ในฝูงเนื้อก็ยังฆ่าเนื้อตัวล่ำๆซึ่งมีกําลังเหมือนเช่นนั้นได้เสือโครงกล่าวว่าหมูญาติผู้พร้อมเพลียงร่วมใจกันมีกริยาเช่นเสือโครงไม่ว่าพระอินทร์หรือนกเหยื่ยวหรือเสือโครงซึ่งเป็นพยาสัตว์ก็ไม่อาจให้อยู่ในอํานาจได้ชาดินโกงปลุกใจเสือโครงว่า ฟูงนกกลุ่มพีละกาตึกเล็กเที่ยวบินไปเป็นฟูงเป็นหมูเริ่นเริงจับกลุ่มกันโผลพินบินร่อนไปมาก็มือนนกเหล่านั้นโผลพินอยู่เหีียวย่อมโฉบเอานกตัวหนึ่งบรรดา น, นกเหล่านั้นที่แตกฟูงออกมานั้นเป็นคติของเหล่าพญากทั่วไปพระาศาสดาทรงประกาศข้อความนั้นว่าเสือโครงมีเขี้ยวเป็นอาวุธถูกชะดินชั่วผู้เห็นแก่อามิตปลูกใจ มีความสำคัญเหมือนครั้งก่อนจึงได้เพนเข้าไปในฝูงของสุกรผู้ที่มีเขี้ยวรุ ก, กะเทวดาเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นจึงกล่าวคาถาว่าญาติทั้งหลายมีมากด้ื่อกันเป็นการดีถึงแม้จะเป็นต้นไม้ที่เกิดในป่า ก, ก็ตามเสือโคร่งถูกสุกร์ทั้งหลายที่สมคีกันฆ่าตายในหนทางที่เดินได้คนเดียวพระศาสดาตรัสว่าสุกรทั้งหลายได้ฆ่าเสียทั้งสองคนคือ พรามหนึ่งเสือโคร่งหนึ่งจึงได้เริ่นเริงบันเทิงใจส่งเสียงบรนเลอลั่นสุกรเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันที่คนต้นมาเดือได้อภิเศกสุกรตัดฉะว่าท่านจงเป็นราชาเป็นใหญ่แห่งเราทั้งหลายเถิดตัดฉะสุกระชาดกที่9จบ 10. มหาวานิชาชาดกว่าด้วยพ่อค้าใหญ่ พระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าพ่อค้าทั้งหลายจากแคว้นต่างๆมาประชุมกันที่กรุงพาราณสีตั้งพ่อค้าที่มีปัญญาดีกว่าคนหนึ่งให้เป็นหัวหน้าพากันนำทรัพย์กลับพ่อค้าเหล่านั้นมาถึงถิ่นกันดานที่มีพักษาน้อยไม่มีน้ำได้พบต้นไทรใหญ่มีร่มเงาเย็นสบายน่ารื่นรมก็พ่อค้าเหล่านั้นพากันนั่งที่ร่มเงาต้นไทรใหญ่นั้นนั่นเอง พวกที่เป็นคนโง่ถูกโมหะครอบงำคิดเห็นพ้องกันว่าต้นไม้ต้นนี้สดชื่นเรากับมีน้ำซับซึมอยู่ขอเชิญพวกเราเหล่าพ่อค้าพากันตัดกิ่งด้านตะวันออกเถิดก็กิ่งไม้นั้นพอถูกตัดแล้วก็หลั่งน้ำใสไม่ขุนพ่อค้าเหล่านั้นพากันอาบและดื่มกินตามที่ต้องการณกิ่งไม้นั้นครั้งที่สองพวกที่เป็นคนโง่ถูกโมหะครอบงำ คิดเห็นพ้องกันว่าขอเชิญพวกเราเหล่าพ่อค้าพากันตัดกิ่งด้านทิศใต้เถิดก็กิ่งไม้นั้นพอถูกตัดแล้วก็หลังข้าวสาลีเนื้อเข้าสุก ข, ขนมกุมมาสซึ่งมีสีเหมือนข้าวปายาที่มีน้ำน้อยแกงอ่อมและกับมีแกงถั่วเป็นต้นออกมามากมายพวกพ่อค้าเหล่านั้นพากันบริโภคเคี่ยวกินตามที่ต้องการณกิ่งไม้นั้นครั้งที่สาม พวกที่เป็นคนโง่ถูกโมหะครอบงำคิดเห็นพ้องกันว่าขอเชิญพวกเราเหล่าพ่อค้าพากันตัดกิ่งด้านทิ่ตะวันตกเถิดก็กิ่งไม้นั้นพอถูกตัดแล้วก็หลังเหล่านารีมีเครื่องประดับพร้อมมูลเสื้อผ้าอาพรงามวิจิตใส่ต่างหูแก้วมณีก็พ่อค้าแต่ละคนมีนารีนางหนึ่งส่วนหัวหน้ากองเกวีมีนารี่สิห้านาง แวดล้อมอยู่รอบข้างที่เงาร่มต้นใสนั้นพวกพ่อค้าเหล่านั้นมีเหล่านารีแวดล้อมตามที่ต้องการครั้งที่สี่พวกที่เป็นคนโง่ถูกโมหะครอบงำคิดเห็นพ้องกันว่าขอเชิญพวกเราเหล่าพ่อค้าพากันตัดกิ่งด้านทิศเหนือเถิดก็กิ่งไม้นั้นพอถูกตัดแล้วก็หลังแก้วมุกดาแก้วไพลทูลเงินทองเครื่องลาดหลังช้าง และเครื่องปูล่าที่ทำด้วยขนแกะผ้าคแควนกาสีและผ้ากาพลชื่ออุิยะออกมาเป็นจำนวนมากพวกพ่อค้าเหล่านั้นพากันขนบรรทุกเกวียนเหล่านั้นตามที่ต้องการครั้งที่ห้าพวกที่เป็นคนโง่ถูกโมหะครอบงำคิดเห็นพ้องกันว่าขอเชิญพวกเราช่วยกันตัดโคนต้นไทรนั้นเถิดบางทีจะได้ยิ่งกว่านี้ทันใดนั้น หัวหน้ากองเกวียนได้ลุกขึ้นประคองอัญเชลีขอร้องว่าพ่อค้าวา น, นิชทั้งหลายต้นไซมีความผิดอะไรหรือขอความเจริญจงมีแก่พวกท่านเถิดกิ่งด้านทิศตะวันออกให้น้ำอาบกิ่งด้านทิศใต้ให้ข้าวและน้ำเด่มกิ่งด้านทิศตะวันตกให้เหล่านารีส่วนกิ่งด้านทิศเหนือให้ทรัพย์ที่น่าปลื้มใจทุกอย่างพ่อค้าวา น, นิชทั้งหลาย ต้นใสมีความผิดอะไรหรือขอความเจริญจงมีแก่พวกท่านเถิดบุคคลนั่งก็ตามนอนก็ตามที่ร่มเงาต้นไม้ใดไม่ควรหักรานกิ่งต้นไม้นั้นเพราะว่าคนประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวสามแต่พวกพ่อค้าเหล่านั้นจำนวนมากไม่เชื่อฟังคำของนายกองเกวียนผู้เดียวนั้นใช้ขวานอันคมกริบตัดต้นใสนั้นตั้งแต่โคนต้น พวกหน้าก็ออกมาจากต้นไซนั้นสวมเกราะยีห้าตนถือธนูสา0รอตนและถือโลหนังห0พันตนพญานากล่าวสั่งว่าพวกเจ้าจงฆ่าจงมัดพวกพ่อค้าเหล่านี้อย่าได้ไว้ชีวิตแม้แต่คนเดียวพวกเจ้าจงทำพวกพ่อค้าเหล่านั้นทั้งหมดให้เป็นผงธุลีเว้นไว้แต่นายกองเกวียนเท่านั้นพระศาสด า, สดาทรงทราบแล้วตรัสสองคาถาโอวาทว่า เพราะเหตุนั้นแหลคนฉลาดพิจารณาเห็นประโยชน์ของตนไม่พึงตกไปสู่อำนาจแห่งความโลภพึงกำจัดใจที่เป็นศัตรูภายในเสียผู้เห็นภัยรู้โทษอย่างนี้ว่าตันหาเป็นเหตุให้เ ก, เกิดทุกข์เป็นผู้ปราศจากตันหาไม่ยึดมั่นมีสติดำเนินชีวิตอยู่มหาวานิชชชาดกที่10จบ 11. สาธินาราชาชาดก ว่าด้วยพระเจ้าสาธินะพวกมนุษย์ดีใจยืนประคองอัญชลีได้ยกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอรถทิพย์ได้ปรากฏแก่พระเจ้าวิเทหะผู้เรืองยศพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกทำให้เกิดขนพองสยองกล้าวพระาศาสดาทรงประกาศข้อความนั้นว่ามาตลีเทพบุตรเทพสารถีผู้มีฤทธิ์มากทูลเชิญเสด็จพระเจ้าวิเทหะ ผู้ครอบครองมิถิลานครว่าพระราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐเป็นใหญ่ทั่วทิศขอเชิญพระองค์เสด็จทรงรถทิพนี้เถิดเทพชั้นดวดึงทั้งหลายพร้อมด้วยองค์อมรินใคร่จะทรงทัศนาพระองค์ก็เทพเหล่านั้นเราเลิกถึงพระองค์ประชุมพร้อมกันอยู่ที่สภาชื่อสุธรรมมาก็ลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหะทรงพระนามสาธินะ ผู้ครอบครองมิถิลานครเสด็จประทับรถทิพย์ซึ่งเทียมด้วยม้าอัสดรพันตัวได้เสด็จไปในสำนักแห่งเทพพระมหาราชาประทับยืนบนที่พยายานซึ่งเทียมด้วยม้าอัสดรพันตัวนำไปเสด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวสภานี้เทพครั้นเห็นพระราชาเสด็จมาก็ยินดีต้อนรับพระองค์ขอเดชะพระมหาราช พระองค์เสด็จมาดีแล้วมิใช่เสด็จมาร้ายพระราชาผู้สแสวงคุณอันยิ่งใหญ่บัดนี้ขอเชิญประทับณสำนักท้าวศักกะเทวราชเถิดแม้ท้าวศักกะก็ทรงยินดีต้อนรับพระเจ้าวิเทหะผู้ครอบครองมิถิลานครท้าววาสวะทรงเชื้อเชิญด้วยกรามทั้งหลายพร้อมทั้งอาสนะพระราชาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นการดีแท้ ที่พระองค์เสด็จมาถึงสถานที่อยู่แห่งเหล่าเทพผู้ครองอำนาจขอเชิญประทับอยู่ในหมู่ทวยเทพผู้มั่งคั่งด้วยกามทุกอย่างขอพระองค์สวยกามซึ่งมิใช่ของมนุษย์ในหมู่เทพชั้นเดวดึงเถิดพระเจ้าสาธินะตรัสกับเท้าสักกะว่าเมื่อก่อนมอมฉันอยู่ในสวรรค์ย่อมยินดีการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีแต่บัดนี้ วันนี้หม่อมฉันนั้นหายินดีในสวรรค์ไหมพระองค์ผู้ประเสริฐกว่าจอมเทพอายุของหม่อมฉันสิ้นแล้วหรือหม่อมฉันใกล้าตายหรือหรือว่าหม่อมฉันหลงไปท้าวสักกะตรัสว่าพระองค์ผู้กล้าหารผู้ประเสริฐกว่านรชนพระชนมายุของพระองค์ยังไม่สิ้นไปความตายก็ยังอยู่ห่างไกลและแม้พระองค์ก็ยังไม่หลง แต่บุญที่พระองค์สวยวิปากอยู่ในเทวโลกนี้ของพระองค์เหลืออยู่น้อยพระราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นใหญ่ทั่วทิศขอเชิญพระองค์ประทับอยู่ด้วยเทวานุภาพสวยยขามซึ่งไม่ใช่ของมนุษย์ในหมู่เทพชั้นดาวดืงเถิดพระโพธิสัตว์ทรงห้ามท้าวสักกะว่าสิ่งใดที่ได้มาเพราะเหตุที่ผู้อื่นให้สิ่งนั้นเปรียบกันได้เหมือนยานพาณิที่ยืมเขามา เหมือนทรัพย์ที่ยืมเขามาก็สมบัติที่ได้มาเพราะเหตุที่ผู้อื่นให้นั้นหมอมฉันไม่ปรารถนาบุญทั้งหลายที่มอมฉันทำเองบุญนั้นจะเป็นทรัพย์เฉพาะตนของหม่อมฉันมอมฉันนั้นไปอยู่ในหมู่มนุษย์แล้วจะทำกุศลให้มากด้วยการให้ทานการประพฤติรมให้สม่ำเสมอการสำรวมและด้วยการฝึกฝนอินทรีย์ซึ่งเป็นกรรมที่บุคคลทาแล้วมีความสุข และไม่ทำให้เดือดร้อนในภายหลังพระโพธิสัตว์จูงพระหัตพระเจ้านาระทะเที่ยวไปในอุทยานได้ตรัสว่าภูมิภาคตรงนี้คืออุทยานนั้นตรงนี้คือลำรางไขน้ำพร้อมทั้งอ่างรองรับน้ำที่ไหลเข้ามาตรงนี้คือภูมิภาคทั้งสองข้างแห่งลำรางไขน้ำซึ่งปกคลุมด้วยหญ้าเขียวขจีตรงนี้คือแม่น้าที่มีกระแสไหลยอยู่ไม่ขาดสาย ตรงนี้คือสะโบครนีอันน่ารื่นรมมีนกจักรภาคขันขานเสียงระงมดาราดาดไปด้วยดอกมณฑาลกดอกปทุมและดอกอุบลที่เหล่าชนพากันหลงไหล ย, ยึดถือว่าเป็นของเราเขาไปไหนหนอตรงนี้พื้นที่นั้นมีแต่พื้นดินที่รกเท่านั้นมีแต่สวนและแนวป่าเท่านั้นเองนาระทะเมื่อเรามองไม่เห็นหมู่ชนนั้น ทิทั้งหลายปรากฏแก่เราเหมือนกับว่างเปล่าพระเจ้าสาธินะตรัสว่าเขาพระเจ้าได้เห็นวิมานส่องแสงไปทั้งสีทิศ ต, ต่อพระพักท้าเทวราชและต่อหน้าเทวดาชั้นไตรทศเราได้อยู่ในทิพยาวิมานบริโภคกามซึ่งไม่ใช่ของมนุษย์ในหมู่เทพชั้นดาวดืงที่มั่งคั่งด้วยกามทุกอย่างเรานั้นละกามเช่นนี้มาในโลกนี้เพื่อต้องการทาบุญ จะประพฤติรมอย่างเดียวไม่ต้องการราชสมบัติเราจะดำเนินไปตามทางที่ไม่ต้องใช้อาชียาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเป็นทางที่ท่านผู้ปฏิบัติดีดำเนินไปอยู่สาธินะราชาชาดกที่11จบ 12. สทษะพรามณชาดกว่าด้วยการจำแนกตระกูลพรามสิบตระกูล พระศาสดาทรงประกาศข้อความนี้ว่าพระเจ้ายุทธิธิระผู้ทรงฝักไฟในธรรมได้ตรัสกับวิทุระอมารว่าวิทุระเธอจงสแสวงหาพรามผู้มีศีลผู้เป็นหูสูตผู้เว้นจากเมถุนธรรมซึ่งสมควรจะบริภโภคโพชนะของเราสหายเราจะถวายทักษิณาในเขตที่เราถวายทานแล้วมีผลมากวิทุระอมาตกราบทูลว่า ขอเดชะพระองค์ผู้สมติเทพพรามทั้งหลายผู้มีศีลเป็นพระหูโสภูผู้เว้นจากเมถุนธรรมซึ่งสมควรจะบริโภคโภชนาของพระองค์หาได้ยากพระเจ้าค่าขอเดชะพระมหาราชได้ยินว่าพรามมีอยู่สิบตระกูลด้วยกันขอพระองค์โปรดสดับการจำแนกแจกแจงพรามทั้ง10บตระกูลนั้นโดยพิสดารจากข้าพระองค์เถิด พราหมบางพวกเผอถุงยแยมที่เต็มด้วยรากไม้ปากปิดติดสลากยาบ้างรดน้ํำมนบ้างเป่าเสษคถาอาคมบ้างแม้พราหม์เหล่านั้นเป็นเสมือนหมอเขาก็เรียกกันว่าพราหมณ์ขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์เรียกราบทูลพราหมณ์ผู้เป็นเสมือนหมอเหล่านั้นแด่พระองค์เราจะเชื้อเชิญพราหม์เช่นนั้นหรือพระเจ้าข่าพระเจ้าโกรพยะตรัสว่า พรหม์เหล่านั้นปราศจากคุณเครื่องความเป็นพราหมณ์จะเรียกพวกเขาว่าเป็นพราหม์ไม่ได้วิทุระเธอจงสแสวงหาพราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีลผู้เป็นพหูสูตผู้เว้นจากเมตุนธรรมซึ่งสมควรจะบริภโภคโภชนะของเราสหายเราจะถวายทักษิณาในเขตที่เราถวายทานแล้วมีผลมากวิทุระอามาต ก, กราบทูลว่า พราหม์อีกพวกหนึ่งถือกางสดานเป่าประกาศไปข้างหน้าบ้างไปรับใช้บ้างศึกษาวิชาการเกี่ยวกับรถบ้างแม้พราหม์เหล่านั้นเป็นเสมือนคนรับใช้เขาก็เรียกกันว่าพราหม์ขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์เรียกราบทูลพราหม์ผู้เป็นเสมือนคนรับใช้เหล่านั้นแด่พระองค์เราจะเชื้อเชิญพราหม์เช่นนั้นหรือพระเจ้าข่าพระเจ้าโกรพยะตรัสว่า ก็พราหมณ์เหล่านั้นปราศจากคุณเครื่องความเป็นพราหมณ์จะเรียกพวกเขาว่าเป็นพราหมณ์ไม่ได้วิทุระเธอจงสแสวงหาพราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีลผู้เป็นพหูสูตรผู้เว้นจากเมทุนธรรมซึ่งสมควรจะบริโภคโภชนะของเราสหายเราจะถวายทักษิณาในเขตที่เราถวายทานแล้วมีผลมากวิทุระอามาตกราบทูลว่าพราหมณ์อีกพวกหนึ่ง ถือคนโทน้ำและไม้เท้าคดเข้าไปพึ่งพาพระราชาในคามและนิคมด้วยตั้งใจว่าเมื่อชาวบ้านหรือชาวนิคมไม่ให้เราจะไม่ออกไปแม้พราหมณ์เหล่านั้นเป็นเสมือนผู้กดขี่เขาก็เรียกกันว่าพราหมณ์ขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์ได้กราบทูลพราหมณ์ผู้เป็นเสมือนผู้กดขี่เหล่านั้นแด่พระองค์เราจะเชื้อเชิญพราหมณ์เช่นนั้นหรือพระเจ้าข่า พระเจ้าโครพยาตรัสว่าก็พราหมณ์เหล่านั้นปราศจากคุณเครื่องความเป็นพราหมณ์จะเรียกพวกเขาว่าเป็นพราหมณ์ไม่ได้วิทุระเธอจงสแสวงหาพราหมเหล่าอื่นผู้มีศีลผู้เป็นพะหะสูตรผู้เว้นจากเมถุนธรรมซึ่งสมควรจะบริภพโภคโภชนะของเราสหายเราจะถวายทักษิณาในเขตที่เราถวายทานแล้วมีผลมากวิทุระอามาตย์กราบทูลว่า พรามอีกพวกหนึ่งมีขนรักแร้เล็บและขนงอกขึ้นยาวมีฟันเคระมีทุลีบนศีรษะเกลกรังไปด้วยฝุ่นละอองเป็นพวกยาจกเที่ยวไปอยู่แม้พรามเหล่านั้นเป็นเสมือนคนขุดตอไม้ที่ถูกไฟไหม้เขาก็เรียกกันว่าพรามขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์เรียกราบทูลพรามผู้เป็นเสมือนคนขุดตอไม้ที่ถูกไฟไหมเหล่านั้นแด่พระองค์ เราจะเชื้อเชิญพรามเช่นนั้นหรือพระเจ้าค่าพระเจ้าโกรพยะตรัสว่าก็พรามเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่องความเป็นพรามจะเรียกพวกเขาว่าเป็นพรามไม่ได้วิธุระเธอจงสแสวงหาพรามเหล่าอื่นผู้มีศีลผู้เป็นพหุโสูตรผู้เว้นจากเมถุนธรรมซึ่งสมควรจะบริภพโภคโภชนะของเราสายหเราจะถวายทักษิณาในเขตที่เราถวายทานแล้วมีผลมาก วิทุระอมาตย์กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งเหล่าชนพราหม์อีกพวกหนึ่งย่อมค้าขายผลสมอมะขามป้อมผลมะม่วงผลว่าสมอพิเภกขนุนสำปลอไม้ชมระฟันผลมะตูมและพุษาลูกเกดอ้อยลำน้ำอ้อยงบกล้องสูบยาเส้นน้ำพึ่งและยาหยอดตา และย่อมค้าขายสิ่งของที่มีค่ามากและมีค่าน้อยแม้พราหมเหล่านั้นเป็นเสมือนพ่อค้าเขาก็เรียกกันว่าพราหมขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์เรียกราบทูลพราหมผู้เป็นเสมือนพ่อค้าเหล่านั้นแด่พระองค์เราจะเชื้อเชิญพราหมเช่นนั้นหรือพระเจ้าค่าพระเจ้าโกรพยะตรัสว่าก็พราหมเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่องความเป็นพราหมจะเรียกพวกเขาว่าเป็นพราหมไม่ได้ วิทุระเธอจงแสวงหาพรามเหล่าเอ่นผู้มีศีลผู้เป็นผูโหสูตผู้เว้นจากเมถุนธรรมซึ่งสมควรจะบริโภคโพชนะของเราสหายเราจะถวายทักษิณาในเขตที่เราถวายทานแล้วมีผลมากวิทุระอมาตกราบทูลว่าพรามอีกพวกหนึ่งได้กระทำกสิกรรมและพาณิชกรรมเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตกแต่งหญิงสาว ทำวิวาหมงคลและอววาหมงคลแม้พราหมเหล่านั้นเป็นเสมือนพ่อค้าข้าบดีเขาก็เรียกกันว่าพราหมขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์เรียกราบทูลพราหมผู้เป็นเสมือนพ่อค้าข้าบดีเหล่านั้นแด่พระองค์เราจะเชื้อเชิญพราหมเช่นนั้นหรือพระเจ้าข้าพระเจ้าโกรพยตรัสว่าก็พราหมเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่องความเป็นพราหม จะเรียกพวกเขาว่าเป็นพรามไม่ได้วิทุระเธอจงแสวงหาพราหม์เหล่าอื่นผู้มีศีลผู้เป็นผะโสูตรผู้เว้นจากเมทุนธรรมซึ่งสมควรจะบริโภคโพชนาของเราสหายเราจะถวายทักษิณาในเขตที่เราถวายทานแล้วมีผลมากวิทุระอมาตกราบทูลว่าพราหม์อีกพวกหนึ่งเป็นปุโรหิตประจำบ้านบริโภคพิกษาที่เขาเก็บไว้เพื่อตน ชนจำนวนมากย่อมสอบถามพรามเหล่านั้นพรามเหล่านั้นเป็นนักตอนสัตว์และตีตราสัตว์แม้สัตว์เลี้ยงทั้งหลายเช่นกระบือสุกรและแพะในบ้านเหล่านั้นก็ถูกพรามเหล่านั้นฆ่าแม้พวกพรามเหล่านั้นเป็นเสมือนนายโคคาดเขาก็เรียกกันว่าพรามขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์เรียกราบทูลพรามผู้เป็นเสมือนนายโคคาดเหล่านั้นแด่พระองค์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 เราจะถวายทักษินาในเขตที่เราถวายทานแล้วมีผลมากวิทุระอมาตกราบทูลว่าพราหมณ์ทั้งหลายถือดาบและโล่หนังเนบกฤิตยืนดักอยู่ที่ทางเดินของพวกพ่อค้าบ้างคอยคุ้มครองกองกเกวียนบ้างแม้พราหมณ์เหล่านั้นเป็นเสมือนคนเลี้ยงโคและโจรปล้นฆ่าชาวบ้านเขาก็เรียกกันว่าพราหมณ์ขอเดชะพระมหาราช ข้าพระองค์เรีกราบทูลพราหมณ์ผู้เป็นเสมือนคนเลี้ยงโคและโจรปล้นฆ่าชาวบ้านเหล่านั้นแด่พระองค์เราจะเชื้อเชิญพราหมณ์เช่นนั้นหรือพระเจ้าค่าพระเจ้าโครับพยาตรัสว่าก็พวกพราหมณ์เหล่านั้นปราศจากคุณเครื่องความเป็นพราหมณ์จะเรียกพวกเขาว่าเป็นพราหมณ์ไม่ได้วิธุระเธอจงแสวงหาพราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีศีลผู้เป็นพหูสูตผู้งดเว้นจากเมตุนธรรม ซึ่งสมควรจะบริโภคโภชนะของเราสหายเราจะถวายทักษิณาในเขตที่เราถวายทานแล้วมีผลมากวิทุระอมาตย์กราบทูลว่าพรามอีกพวกหนึ่งสร้างกระท่อมอยู่ในป่าทำเครื่องดักสัตว์เบียดเบียนกระต่ายเสือปลาปลาและเต่าตลอดจนถึงเฮียแม้พรามเหล่านั้นเป็นเสมือนในพรานเขาก็เรียกกันว่าพราม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 ซึ่งสมควรจะบริโภคโภชนะของเราสหายเราจะถวายทักษิณาในเขตที่เราถวายทานแล้วมีผลมากวิทุระอมาตกราบทูลว่าพราหมณ์อีกพวกหนึ่งปราถนาทรัพย์ก็ลงนอนอยู่ใต้เตียงเมื่อเริ่มทำพิธีโสมยาคะก็ให้พระราชาทั้งหลายสงสนารณเบื้องบนแม้พราหมณ์เหล่านั้นเป็นเสมือนคนขัดสนิมเขาก็เรียกกันว่าพราหมณ์ ขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์ได้ยกราบทูลพรามผู้เป็นเสมือนคนขัดสนิมเหล่านั้นแด่พระองค์เราจะเชื่อเชิญพรามเช่นนั้นหรือพระเจ้าข้าพระเจ้าโกรพยะตรัสว่าก็พวกพรามเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่องความเป็นพรามจะเรียกพวกเขาว่าเป็นพรามไม่ได้วิธุระเธอจงสแสวงหาพรามเหล่าอื่นผู้มีศีลผู้เป็นพโหสูตรผู้งดเว้นจากเมทุนธรรม ซึ่งสมควรจะบริโภคโภชนะของเราเราจะถวายทักษินาในเขตที่เราถวายทานแล้วมีผลมากวิทุระอามาตครั้นแสดงผู้เป็นพรามเพียงแค่ชื่อบัดนี้เพื่อจะแสดงผู้เป็นพรามโดยปรมาจึงได้กล่าวสองคาถาว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมติเทพพรามทั้งหลายผู้มีศีลผู้เป็นหูสูตรผู้งดเว้นจากเมทุนธรรม ซึ่งสมควรจะบริโภคโภชนะของพระองค์ยังมีอยู่พระเจ้าข้าพราหม์เหล่านั้นบริโภคพัตหารมือเดียวและไม่ดื่มน้ำเมาขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์เรียกราบทูลพราหม์เหล่านั้นแด่พระองค์เราจะเชื้อเชิญพราหม์เช่นนั้นหรือพระเจ้าข้าพระเจ้าโกรพยะทรงสดับดังนั้นแล้วดีพระไทยจึงตรัสว่าวิธุระพราหม์เหล่านั้นเป็นผู้มีศีลเป็นผหูสูตร เธอจงสแสวงหาพรามเหล่านั้นแหละวิทุระจงรีบนิมนต์พวกท่านมาเร็วๆทะพรามณชาดกที่สิบสองจบสิบสามพิกขาปรมปราชาดกว่าด้วยเขตที่ถวายทานแล้วมีผลมากกุดุมพีทูลถามพระราชาว่าข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ผู้ทรงเป็นสุขุมารชาิ ประทับอยู่ในปรางประสาทอันประเศรศสริฐเสด็จบรรทมบนพระยี่ผู้อันสูงใหญ่สเสด็จจากแคว้นมายังปัจจันตะชนบทเช่นกับที่ป่าปราศจากน้ำจึงได้ทูลถวายพัตาหารอันวิจิตรเกือข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันดีเลิศซึ่งมีกลับที่ปรุงด้วยเนื้ออันสะอาดด้วยความเคารพรักต่อพระองค์พระองค์ผู้ทรงรับพัดนั้นแล้วได้พระราชทานให้พราม ไม่สวยด้วยพระองค์เองข้อนี้เป็นทำอะไรของพระองค์หรือข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระองค์พระราชาตรัสตอบว่าพราหมณ์เป็นอาจารย์ของเราเป็นผู้ขนขวายในกิจใหญ่น้อยเป็นครูและเป็นผู้ที่ควรจะเชื้อเชินเราจึงควรให้โภชนะแก่เขากุฎุมพีกล่าวกับพราหมณ์ว่าบัดนี้ข้าพระเจ้าขอถามท่านพราหมณ์ผู้โคตรมโคต ที่พระราชาทรงบูชาพระราชาได้พระราชทานพัดแก่ท่านซึ่งมีกลับที่ปรุงด้วยเนื้อสะอาดแก่ท่านท่านได้รับพระราชทานพัตหาานั้นแล้วกลับถวายโภชนะแก่ฤาษีท่านคงจะรู้ตัวสิว่าไม่ใช่เนื้อนาบุญแห่งทานข้อนี้เป็นทำอะไรของท่านหรือเขาพเจ้าขอนอบน้อมท่านพรามตอบว่าเขาพระเจ้ายัางต้องเลี้ยงบุตรและพัญญา เป็นผู้ติดในครอบครัวถึงจะถวายอนุสา์แกพระราชาก็ยังบริโภคกามซึ่งเป็นของมนุษย์ข้าพระเจ้าควรจะถวายโพชนะแก่ฤาษีผู้อยู่ป่าบำเพ็ญตบะมาช้านานผู้เจริญด้วยคุณอบรมตนแล้วกุดมพีกล่าวกับฤาษีว่าบัดนี้ข้าพระเจ้าขอถามฤาษีผู้ผอมมีร่างกายสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นมีขนรักแร้เล็บและขนงอกขึ้นยาว มีขี้ฟันเครอะมีทุลีบนสีษะท่านอยู่ผู้เดียวในป่าไม่คำนึงถึงชีวิตเพราะเหตุไรภิกษุจึงดีกว่าท่านถึงกับท่านยอมถวายโพชนะฤาษีตอบว่าอาตมายังขุดมันเทศและเง่าตาลมันมือเสือและหัวหอมหัวกระเทียมอยู่นวดเข้าฟางและลูกเดยรวบรวมตากให้แห้งอาตมายังสแสวงหาผัก เง่าบัวน้ำผึ้งเนื้อพุ้สาและมะขามป้อมเหล่านั้นมาบริโภคอยู่อาตมายังมีการยึดถือนั้นอยู่เมื่ออาตมายองหุงโภชนะยังมีความกังวลยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ควรถวายโภชนะแก่ท่านผู้ไม่หุงผู้ละเว้นความยึดถือว่าเป็นของเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นกุดุมพีกล่าวกับพระประเจ ก, กพุทธเจ้าว่า บัดนี้ข้าพเจ้าขอถามภิกษุผู้นั่งนิ่งมีวัดอันดีงามเรืสีเร้ถวายพัะตาหารซึ่งมีกลับที่ปรุงด้วยเนื้อสะอาดแก่ท่านท่านรับพัะตาหารนั้นแล้วนั่งนิ่งฉันแต่ผู้เดียวไม่เชื้อเชิญใครอีกข้อนี้เป็นทำอะไรของท่านหรือข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านพระปัจเจกับพุทธเจ้าตอบว่าอาตมาไม่ได้หุงเองไม่ได้ใช้ให้ใครหุงไม่ได้ตัดเอง ไม่ได้ใช้ให้ใครตัดเพราะรู้ว่าอาตมานั้นไม่มีความกังวลงดเว้นจากบาปทั้งปวงฤาษีจึงถือเอาพิกษาด้วยมือซ้ายถือคนโทนน้ำด้วยมือขวาได้ถวายพระตาหารซึ่งมีกลับที่ปรุงด้วยเนื้อสะอาดแกอาตมาเพราะชนทั้งหลายเหล่านี้ยังมีความยึดมั่นว่าเป็นของเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นจึงควรให้ทานส่วนอาตมาสำคัญว่า ผู้เชื้อเชิญผู้ถวายเป็นปฏิปทาที่ผิดกุดุมพีฟังคำของพระปัเจกพุทธเจ้าแล้วดีใจจึงกล่าวว่าวันนี้พระราชาผู้เป็นจอมทัพเสด็จมาที่นี่เพื่อประโยชน์แกเราแท้ๆข้าพระองค์รู้ชัดในวันนี้ถึงเขตที่ถวายทานแล้วมีผลมากพระราชาทั้งหลายทรงพอพระทัยในแคว้นพรามทั้งหลายพอใจในกิจน้อยใหญ่ เรือสีทั้งหลายพอใจในมูลพลาหารส่วนภิกษุทั้งหลายหลุดพ้นแล้วพิคขาปรมประชาดกที่13จบรวมชาดกที่มีในนิบาทนี้คือ 1. สาลิเกเยทารชาดก 2. จันทกิ น, นรีชาดก 3. มหาอุกุสะชาดก 4. อุทาระกะชาดก 5. ้พิษชาดก 6. สุรุจิชาดก 7. ปัญจุโปสถิกชาดก 8. มหาโมราชาดก 9. ตัดชะสุกระชาดก 10. มหาวานิชาชาดก 11. สาธินราชาชาดก 12. ทศสะพรามณชาดก 13. ภพิกขาปรมประชาดกภกินนกาิบาตจบ